ยาเรียเรื่องเจ้าอาการละครหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เอง มีชายสามคนเป็นเพื่อนสนิทกันไปราชการไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งห้องเดียวกันชั้นที่20สิในจํานวนเพื่อนสามคนนั้นมีคนหนึ่งพูดติดอ่างพูดตะกุตกตะกักจนเพื่อนๆพื่นรำคาญทุกครั้งวันนี้เป็นการบังเอิญมากขึ้นไปอยู่ชั้นสูงสุดเพราะเขาทั้งสต้องการชมทิวทัศนียภาพ แต่มันช่างแย่เสียเหลือเกินที่ไฟฟ้าเกิดขัดข้องไม่สามารถจะใช้ลิฟต์ขึ้นไปชั้นบนได้เช่นทุกวันทั้ง3จึงเดินขึ้นบันไดถึงชั้นที่20แน่ๆเพื่อให้การเดินบันไดขึ้นชั้น20สิไม่เหนื่อยเพื่อนคนหนึ่งก็ออกอุบายว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันระหว่างเดินขึ้นบันไดก็ผพลัดกันเล่านิทานคนละเรื่องสลับกันไป หัวเราะเข้าก็จะลืมเหนื่อยเองซึ่งทุกคนเห็นดีเห็นงามไปด้วยคนที่หนึ่งก็เริ่มเล่าเรื่องแรกเมื่อเดินขึ้นบันไดและนิทานจบลงเมื่อขึ้นถึงชั้นที่9เจ้าเพื่อนติดอ่างก็พูดตะกุกตะกากติดอ่างว่าอ้าออาออา อ, อคนที่สองก็ร้องว่าเฮ้ย ว่าเล่าก่อนดีไหมวะมัวอ้าๆ อ, อยู่นั่นไม่ทานกินแล้วก็เล่านิทานเรื่องที่สองโดยไม่ฟังเจ้าอ่างและเมื่อจบเรื่องที่สองเขาทั้งสามก็ขึ้นไปถึงชั้นที่14แล้วเจ้าเพื่อนติดอ่างก็พยายามพูดขึ้นอีกดังกว่าก่าวเล็กน้อยแต่ก็ยังติดอ่างอ่ะอะอะ ้นที่หนึ่งเกิดความรำคาญไม่รอให้เจ้าอ่างเล่านิทานก็เล่าแทนเสียเองแล้วก็เริ่มเล่านิทานเรื่องใหม่ทันทีพอจบนิทานเรื่องนี้ก็ขึ้นถึงชั้นที่20พอดีก็บอกให้เจ้าอ่างไข่กุญแจห้องเจ้าอ่างก็พูดว่าเอออ่ะอ่ะอ่ะจะบอกบอกแ ต, ต่แต่ชั้นแระแระว่าว่า เลเลเลลึกูกูกูแจเพราะพวพุกพวกแกมัวมัวมัวนล่นิทานนี่นี่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านี่แหละนะไม่ฟังเพื่อนมัวแต่รำคาญเฮ้อเลยต้องเหนื่อยกันอีกรอบ